ท่านพระเทราชเทระในมหาสมาคมคนี้มีท่านเจ้าคุณพระราชบรมธีรรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิทยาลัยในฐานะประธานกรรมการจัดงาน วันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณนราชวิาลยในครั้งนี้เป็นต้นเป็นประทานขอเจอริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านโดยเฉพาะท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยภพในฐานะ รองอธิการบดีฝ่ายวยการทั่วไปและเฮรัญยิกของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นต้นในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญทา น, นบริจาค ด้วยการร่วมมอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยโดยที่ทางบุรินิธิเป็นเวทีกลางเป็นผู้ประสานให้คณะต่างๆได้คัดเลือกพระสงฆ์สามเณรเข้ามารับทุนการศึกษา จัดขึ้นในวันมูลนิธิของมหาจุฬาลงกรณ์ราชเทัยโดยเฉพาะเป็นการบาเพ็ญบุญบาเพ็ญกุศรอุทิศให้ผู้บริจาคผู้เพิ่มเติมตั้งทุนและเพิ่มทุนของมูลนิธิที่ร่วมรับไปแล้วสำหรับผู้ที่มาร่วมในงานนี้ ก็จะมีโอกาสเจริญจิตภาวนาร่วมกันในขณะที่นั่งฟังอาตมาปัญญาอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญภาวนาข้อหนึ่งท่านเรียกว่าอนุสติอนุสติสิบเป็นวิธีปฏิบัติภาวนาแบบหนึ่ง ในบรรดาอนุสตินั้นเราจะรู้จักกันเรื่องอาณาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานเรารู้จักมรณะสติหรือมอรณาอนุสติการลำร้ำลึกนึกถึงความตายโดยเฉพาะเมื่อไปร่วมงานศพ วันนี้ท่านทั้งหลายมาร่วมงานมูลนิธิท่านเจริญอนุสติอะไรในสิบอย่าง น, นั้นตอบว่าเจริญจากานุสติลำรึกนึกถึงทานบริจารที่ท่านทั้งหลายได้ทําเองบ้านนึกถึงทานบริจาร ที่คนอื่นได้บริจาคให้กับท่านบ้าโดยเฉพาะในส่วนพระสงฆ์พระนิสิตที่รับทุนก็ลำลึกนึกถึงการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาการที่มีจาคานุสติลำลึกนึกถึงทานและบริจาคนั้นเป็นการทำจิตใจให้ผ่องใส มีกำลังใจในการทำความดีโลกนี้ไม่ได้มีแต่การแข่งแย่งแข่งขันไม่ได้มีแต่ความเห็นแก่ตัวแต่มีความงดงามอันเกิดจากน้ำใจที่เสียสละที่ให้แก่กันและกันเมื่อเรานึกถึง ความมีน้ําใจของคนอื่นที่ให้กับเราในอดีตกว่าชีวิตของเราจะมาถึงวันนี้ใครได้ให้อะไรแก่เราเป็นจากานุสติลํำลึกนึกถึงบุญคุณนึกถึงความดีที่เราได้และทำให้เราได้เติบโต ได้สร้างชีวิตและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้บงังพร้อมที่จะทำความดีตอบแทนไม่ใช่แก่ผู้ที่ช่วยเหลือเราแต่แก่คนแปลกหน้าแก่คนอื่นเหมือนอย่างที่เราได้เคยรับมาแล้วนี่คือความงดงาม ความสวยงามแห่งความสัมพันธ์ของผู้มีจิตใจงามทั้งหลายเรานึกถึงขึ้นมาทีไรเราก็มีความสุขเรานึกถึงขึ้นมาทีไรเราก็มีกำลังใจนี่เป็นผลแห่งจาคานุสติ เหมือนกับในช่วงปีที่แล้วเรานึกถึงจาคบริจาคของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศเราคือในหลวงรัชกาลที่เก่าพระองค์ได้ทำอะไรบ้างเพื่อประเทศชาติบางเรื่องเราไม่เคยรู้ในสมัยที่ยังทรงพระชนชีพอยู่ แต่เมื่อพระองค์ล่วงลับดับไปข่าวสารก็มาเผยแพร่ว่าได้ทรงเสียสละทำอะไรเพื่อประสงค์นิกกรบ้างเราได้เห็นภาพได้ฟังเสียงในเรื่องราวเหล่านั้นมีความสุขมีความหวังมีกำลังใจที่จะเดินตามรอยพระยุคลบัต นั่นคืออำนาจแห่งจาคานุสติการล้ำลึกนึกถึงธานบริจาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราทำเองคนอื่นทำแก่เราบริจาคแก่เราหรือบริจาคแก่คนอื่นล้วนแต่เป็นเรื่องที่จนลงใจเป็นแรงบันดาลใจทั้งสิ้น โมรินิมหาจุลาลงกรณราชิทัยเป็นเวทีกลางในการประสานให้เกิดการบริจาคช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นที่ขึ้นมารับผลแห่งบริจาคของเราอาจเป็นคนแปลกหน้าเราไม่รู้จักหรอกแต่เขาต้องการ การสนับสนุนเป็นนิสิตก็ต้องการการสนับสนุนในการเรียนให้ต่อไปได้เราไม่รู้ว่าใครต้องการแต่ก็บริจาคผ่านมูลนิธิมูลนิธิก็ประสานจัด ก, การให้พบกันระหว่างทายกผู้ให้ กับปฏิคาหกผู้รับซึ่งเมื่อช่วยผู้ที่ต้องการที่ขาดแคลนถือว่าช่วยตรงจุดและเราก็มีความสุขในฐานะปฏิคาหกในฐานะขายกให้ในส่วนปฏิคาหกผู้รับก็ประทับใจเกิดความจดจ่ และนำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปในฐานะที่เป็นประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิก็มีความสุขเมื่อระลึกนึกถึงเรื่องนี้เพราะในสมัยที่อาตมาเป็นนิสิตของมหาจุฬาก็ขาดแคลนต้องการอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน แต่ไม่มีสตังค์จำได้ว่ามีอยู่ปีหนึ่งทางคณะได้เลือกคัดเลือกตอนนั้นยังเป็นสมณี น, นให้ไปรับทุนการศึกษาของมหาจุลานี่แหละแล้วทุนปริญญาตรีสมัยนั้นไม่ใช่เจ็ดพันอย่างที่รับวันนี้เยเมื่อสี่สิบปีมาแล้วกว่าสี่สิบกว่าปีมาแล้ว จำได้ว่าเป็นเงินห้าร้อยบาทภูมิใจที่คณะส่งเข้ารับทุนในนามคณะซึ่งสมัยนั้นมีไม่เกินสิบทุนรับแล้วเอาไปทำอะไรรับแล้วเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ต้องการแต่ไม่มีปัญญาจะซื้อ ในสมัยนั้นนอกจากเรียนมหาจุลาแล้วยังเรียนบาลีเพื่อสอบประโยค9้าสิ่งที่นักเรียนบาลีต้องการโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเวลาเพราะต้องมาเรียนมหาจุลาด้วยก็คือเทปแคสเซ็ตเทปแคสเซ็ตที่บันทึกเสียงอ่านคำแปล ภาษาบาลีเนี่ยที่จะสอบอ่านเป็นภาษาไทยแล้วผู้ผู้เตรียมสอบก็จะดูคัมภีร์ภาษาบาลีฟังเสียงผู้แปลที่อ่านเนี่ยคนคนอ่านจากหนังสือแปลก็ทำให้เราได้จดจำว่าภาษาบาลีอย่างนี้แปลว่าอย่างไร เพราะบันทีดูด้วยตาเนี่ยมันมันจำยากหรือไม่ทันแต่ถ้าได้เทปช่วยทำให้อ่านได้เร็วแปลได้เร็วและจำได้แม่นเพราะมันเข้าไปถึงโซดประสาทดีใจมากที่ได้ทุนห้าร้อยบาทไปซื้อในสมัยนั้นแปดร้อยบาทเก็บเอาไว้สตังมาได้แปดร้อยบาท ได้เทปมาเครื่องหนึ่งแล้วก็ฟังคําแปลหลักสูต ร, รเรียนเก้าประโยคและปีนั้นก็สอบได้โดยที่ผู้ให้ทุนอาจจะนึกไม่ถึงเลยสอบได้ประโยชน์เก้าขณะเป็นสนัมมนตด้วยว่าสิ่งที่ได้มอบที่ได้ให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ ภายสารต่อไปในการที่ทำให้สอบ ไ, ได้รเรียนทำกล้าประโยชน์และนำเอาความรู้เหล่านั้นไปเทศไปสอนไปเผยแผ่ในส่วนของผู้รักก็มีความรู้สึกว่าเราได้ประโยชน์อย่างนี้แล้วเมื่อมีโอกาสก็ต้องตอบแทนต้องให้แก่คนอื่น จึงได้ทาหน้าที่ในการเป็นผู้ให้มาตลอดทั้งอามิสสทานทั้งธรรมทานในการเป็นผู้ให้ก็ให้เองด้วยและชักชวนคนอื่นให้เสียสละด้วยดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบริจาคเองเราก็ได้โภคะสัมปทาน ชักชวนให้คนอื่นบริจาคในนามบริธิในนามมหาจุฬาเราผู้ชักชวนก็ได้บริวารสัมปทานก็ทำอย่างนี้มาตลอดชักชวนให้ญาติโยมมาช่วยกันสร้างมหาจุฬาตรงนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นและให้ธรรมทานคือความรู้ ทั้งแก่พระสงฆ์และสัมมณาิก็เนื่องมาจากการที่เราได้เป็นผู้รับมาก่อนและเมื่อเหมาะสมพร้อมที่จะเป็นผู้ให้เราก็ทำหน้าที่ของผู้ให้เหมือนกับการจุดเทียนใหม่ๆเทียนของเรามันไม่มีแสง เราก็ต้องไปอาศัยแสงเทียนของคนอื่นและเมื่อเทียนของเราสว่างเราก็ส่งมอบแสงเทียนให้คนอื่นจุดต่ อ, ตอไปนึกถึงงานตลอดพระชนชีพของรัชกาลที่กา้าพระองค์เหมือนกับผู้จุดแสงเทียนทรงได้รับแสงสว่างมาจากคนอื่น และก็ส่งมอบแสงสว่าง ต, ต่อไปที่เราเรียกกันว่าศาสตร์พระราชาอาตจจมาสรุปสี่ข้อที่ในหลวงรชกาลราชการที่เก้าพระบาทสมเด็จพระประมนท ร, รมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงกระทำไว้หนึ่งที่ขาด ส่งเติมให้เต็มสองที่เต็มทรงสอนให้รู้จักพอเศรษฐกิจพอเพียงสามที่พอทรงให้รู้จักแบ่งสี่ที่แบ่งทรงให้เป็นธรรมที่ขาดทรงเติมให้เต็ม คนไทยขาดในเรื่องอะไรบ้างสามเรื่องขาดเงินไอ้ขาดความรู้ขาดทุนทรัพย์และขาดสุขภาพจึงมีผลเป็นโง่ขาดความรู้ก็โง่ขาดทุนทรัพย์ก็จนขาดสุขภาพก็เจ็บ โง่จนเจ็บในหลวงรัชกาลที่9ก้าทรงเติมความรู้ให้ความรู้ทรงเติมอาชีพมีโครงการในพระราชริญญต 4,000 องคการให้คนช่วยตัวเองทรงเติมในเรื่องสุขภาพพาราณมัยพัฒนารงพยาบาลสาธารณสุข ที่ขาดทรงเติมให้เต็มที่เต็มทรงสอนให้รู้จักพอเศรษฐศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน่ดังกล้องอยู่ในหูคนไทยทุกคนจนมันมีสองประเภทจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอส่วนใหญ่เราจนเพราะไม่พอ จนเพราะไม่มีนี่แก้ง่ายยกระดับอาชีพค้าแรงขั้นต่าให้พ้นเส้นแบ่งของความยากจนประเทศทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยยกระดับพ้นเส้นแบ่งมามากมายจนได้รับการยกย่องจากธนาคารโลกประเทศของเรา เ, เราพ้น ความจนเพราะไม่มีมาได้พอสมควรจนเป็นที่พึ่งของเพื่อนบานมาอาศัยเราแต่จนเพราะไม่พอเท่าไรมันก็ไม่พอนี่แหละทำให้เราไม่รู้จักแบ่งและแบ่งก็ไม่ให้แกคนแปลกหน้าที่ขาดแคลนให้แต่พวกของตัวเองมันจึงไม่เป็นธรรม ในหลวงราชาการที่9ทรงสอนให้รู้จักพอให้รู้จักแบ่งให้รู้จักเอ่อพอให้รู้จักพอให้รู้จักแบ่งและให้รู้จักเป็นธรรมซึ่งก็น่าแปลกว่าพอสิ้นราชาการที่9การให้การแบ่งของคนไทย มันน้อยลงไม่มีใครกระตุ้นหรืออย่างไรไม่ทราบดูจากอะไรดูจากสถิติของโลกสถิติของโลกเนี่ยฝ่ายที่ทําการสํารวจก็เรียกโพลของโลก แกนหลับโพลได้สำรวจประเทศทั่วโลกร้อยประเทศ ท, ทําแบบสอบถามแล้วจัดอันดับว่าประเทศไหนในโลกใ น, ในบรรดาร้อยประเทศเป็นประเทศที่ใจบุญที่สุดบริจาคมากที่สุด ไปจนถึงที่บริจาค ก, กันช่วยเหลือกันน้อยที่สุดในโลกทาสถิติเอาไว้และก็ประกาศทุกปีในชื่อว่า World Giving Index ดัดชนีการบริจาคของโลกจัดอันดับว่าประเทศไหนเนี่ยคนใจบุญสุนทานชอบให้ ประเทศไหนคนใจแคบเห็นแก่ตัวไม่ให้กันเขาสํารวจอย่างไรเขาถามคําถามสามข้อสุ่มตัวอย่างแต่ทุกประเทศเลยรวมรวมถึงประเทศไทยด้วยถามตัวท่านเองสามข้อในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาท่านได้ ทำอย่างนี้บ่อยครั้งแค่ไหนสามเรื่องในรอบเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเ้าถามอย่างนี้ทั่วโลกประเทศไหนที่คนตอบว่าทำบ่อยเนี่ยจะได้อันดับหนึ่งบ่อยที่สุดจะได้อันดับหนึ่งทำน้อยก็จะลดลงตามลาดับถามโยมก็ได้สามข้อท่านทำบ่อยแค่ไหนถามพลาด้วย หนึ่งการให้การบริจาคแก่คนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักเลย stranger ให้แก่คนรู้จักให้แก่ญาติให้แก่มิตรไม่นับคนที่เราไม่รู้จักเราให้บ่อยแค่ไหนในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองท่านบริจาคให้แก่องค์การกุศลมากน้อยบ่อยแค่ไหนเช่นบริจาคให้บริธิมหาเจลาเนี่ยอยู่ข้อสองทำบุญให้วัดนั้นวัดนี้เนี่ยไม่ใช่ให้แก่บุคคลนะคนแปลกหน้าเป็นข้อที่หนึ่งองค์กรการกุศลหรือวัดวาอารามโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยข้อสอง ทำบ่อยแค่ไหนข้อสมีจิตอาสาสละเวลาไปทําประโยชน์สาธารณะบ่อยแค่ไหนสละเวลาของเราเนี่ยไปช่วยแบกช่วยหามช่วยหยิบช่วยจับเป็นอาสาสมาัครบ่อยแค่ไหนถามสามข้อ ปรากฏว่าเขาทำมาตั้งแต่เจดปีแล้วย้อนไปสามปีที่แล้วประเทศไทยเคยย้อนไปสสี่ปีก่อนประเทศไทยอยู่อันดับส9บเก้ายี่สิบของโลก แต่ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเราตกไปอันดับที่สามสิบเจ็ดของโลกให้น้อยลงยังไม่รู้ปีหกศูนย์ที่ผ่านมาก็ยังยังทำอยู่ยังยังสรุปอยู่ประเทศที่มีคนบริจาคมากเป็นอนันดับึของโลกเนี่ยติดต่อกันมาทุกปีเนี่ย ได้อันดับหนึ่งคือเมียนมาประเทศพมา่าอันดับสองคือสหรัฐอเมริกาประเทศพุทธที่ได้ตัวเลขน้อยคือศรีลังกาอันดับห้าศรีลังกาไทยเคยได้19 20ยบเป็นสาสบเจด ให้กั น, น้อยลงจิตอาสาน้อยลงหรือเปล่าเรานึกว่าสองสี่สิบกว่าล้านเนี่ยของมูลินทิมหาจุฬาก็เยอะนะแต่ท่านทราบไหมมูลินธที่มีทุนมากที่สุดมีเงินเท่าไหร่ฟา n ดี t ช่น ที่มีกองทุนจดทะเบียนเป็นทุนอยู่ตอนนี้ในโลกเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาผู้กอ่อตั้งทุนคือนายบิลเกตมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเขาบริจากรายได้ที่ได้จากบริษัทไมโครซอฟท์เนี่ย ไม่ได้เก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานเท่าเท่าไร่หรอกเศรษฐีอ่ะยกผลประโยชน์และรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามูลนิธิไปตั้งเป็นมูลนิธิบิลเกตมีชื่อภรรยาเขาด้วยในมูลนิธินี้ท่านทราบไหมเขามีทุนเท่าไหร่ในปีเนี้ย ทุนของบิลเกต 40,000 เอ่อโน่สี่หล้านเหรียญสหรัฐ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ4 0ร์ติบิลเลนเอา30คูณเข้าไปคูณ 40,000 ล้านเท่ากับโดย ประมาณเนี่ยล้านแสนล้านบาทล้านล้านบาทถ้าสมัยนี้ก็1นึ่งล้านแสนมืนล้านล้านบาทนี่คือมูลิติ้บิลเกตสเพราะเป็นค่านิยมของคนอเมริกันเขาถึงได้อันดับสองของโลกมีเงินมีทองไม่ได้เก็บให้ลูกหลานสักเท่าไรหรอก ให้ลูกหลานหากันอีกให้พอประมาณส่วนใหญ่ไปทำการกุศลเข้ามูลนิธิพัฒนาประเทศของเขาไม่ว่าจะเป็นล็อกกี้เฟลเลอร์ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดที่สร้างรถยนต์ฟอร์ดมีมูลนิธิหมดเลยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนี้ มหาเศรษฐียังไม่ได้สร้างมูลิธิในชื่อในตระกูลที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่แนวหน้าจึงอยู่อันดับสองของโลกถ้าเราคนไทยเนี่ยหันมามีค่านิยมในเรื่องเหล่านี้ ในเรื่องการบริจาคในเรื่องบูินิธิมากขึ้นประเทศไทยของเราจะเป็นอย่าอยู่ในสภาพที่น่ารักน่าอยู่กันนี้และเวลาที่เราพูดถึงการเป็นผู้ให้การเป็นผู้บริจาคหรือจิตอาสานั้น มันก็เริ่มจากตัวเรานั่นแหละถ้าเรารู้จักคำว่าพอรู้จักแบ่งปัน่นมันก็เริ่มได้อย่างที่ท่านทั้งหลายในห้องประชุมนี้เนี่ยได้ทำมาโดยตลอดและจึงมาร่วมในงานวันมูนิทิมหาจุฬ า, าเรามีจาคานุสติลารึกนึกถึง ทานบริจาคของเราเองบ้างนึกถึงทานบริจาคของคนอื่นที่มีต่อเรามีต่อคนอื่นบ้างทั้งอัดชัดตังวาเป็นบริจาคของเราภัยหิตทาวาเป็นการบริจาคของคนอื่นแล้วเกิดปลื้มใจดีใจเกิดแรงบันดาลใจดังที่เราลืมลึกนึกถึงพระคุณมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่เก่า ในส่วนราชการที่สิบนั้นทรงส่งเสริมให้คนไทยทำจิตภาษาออกมาเสียสละช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอย่างที่เราทราบกันดีก็<ร>จะเพิ่มความช่วยเหลือเกือ้อกูลความเสียสละจากานุสติแก่สังคมไทยเมื่อ ส4ี่วันที่ผ่านมามูลนิธิคนดีประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัลคนดีประเทศไทยและสื่อมวลชนที่ทาหน้าที่รายงานข่าวสารธรรมะโดยนิมนต์อธิการบดีของมหาจาุฬาเป็นผู้มอบรางวัลแจกรางวัล ในการไปแจกรางวัลเนี่ยได้ทราบถึงคนดีคนหนึ่งคนดีประเทศไทยคนหนึ่งมารับรางวัลมีรางวัลคนดีประเทศไท ย, ทไทยสองรางวัลนอกนั้นเป็นรางวัลซื่อมนชนที่ทำความดีแสดงว่าคนดีก็หายากเหมือนกันกว่าจะคัดเลือกมาสองคน หนึ่งในสองคนเนี่ยคนหนึ่งเป็นคนขับแท็กซี่เป็นคนขับแท็กซี่ทำไมเขาได้รับการคัดเลือกให้มาเป็นคนดีประเทศไทยก็เพราะว่าคนขับแท็กซี่คนนี้ติด ติดป้ายไว้เลยในรถแท็กซี่เขาที่รถแท็กซี่เขาเนี่ยติดบอดติดป้ายไว้ให้อ่านได้เลยเป็นแท็กซี่ใจบุญภิกษุสามเณรแม่ชีนั่งฟรีคนพิการคนตาบอดนั่งฟรี และถ้าเป็นอมาพลึกอมาพาดรับส่งถึงบ้านฟรีแล้วช่วยเข็นช่วยแบกช่วยหามส่งโรงพยาบาลรอรับกลับด้วยมีเบอร์โทรศัพท์ให้โทรได้ด้วยตลอดเวลาคนเขาถามว่าแล้วทำมากี่ปีแล้วยี่สิบสองปี ทำมาตลอดถามว่ารวยนักหนาเหรอถึงได้ทำจนจนไม่มีจะกินเรียนปสามเขามีบวชภาคดูร้อนก็เลยไปบวชเนนมีแต่แม่พ่อไม่มีพ่อทิ้งแม่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ บวชเป็นเนนอยู่นครศรีธรรมราชคิดถึงพ่อถามแม่ว่าพ่ออยู่ไหนแม่ก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องพ่อเลยเพราะว่าไปมีเมียใหม่เจ้าชู้มีลูกไว้ให้แต่เป็นเด็กกัตป์อยู่นะเป็นเนนแล้วก็อยากจะไปหาพ่อสักครั้งหนึ่ง สอบถามสืบสอบว่าพ่ออยู่จังหวัดไหนพอรู้ก็ไปเลยสตังก็ไม่มีเป็นเนเนี่ยนะเดินไปแล้วมีลุงคนหนึ่งขับรถผ่านถามว่าจะไปไหนไปหาพ่อยังไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไหนหรอกเดาว่าอยู่เขาบอกว่าอยู่อำเภอนี้ยอำเภอนี้ก็จะไปหาลุงผู้ใจดีก็ให้ขึ้นรถ พาไปส่งถึงจุดที่ใกล้ถวายเงินอีกร้อยบาทเขาก็ไปหาจนเจอพ่อเขาในรูปนั้นแต่จำไม่ลืมเลยที่ได้จากลุงคนนั้นเป็นจุดเริ่มว่าเมื่อเราได้รับนำใจจากคนแปลกหน้ามันรู้สึกยังไง เมื่อมีโอกาสเราจะให้ตอบแทนแก่คนแปลกหน้าแก่คนอื่นบ้างนี่คือจุดเริ่มต้นก่อนตอนนั้นเป็นสมรเณาเมื่อไปเจอพ่อมีความสุขอยู่กับพ่อเลยศึกไปตอนอายุสิบห้าปีทำงานรับจ้างก็ไม่พอกินจึงคิดจะเข้ากรุงเทพก็โดนหลอก โดนหลอกไปเป็นคนงานหาปลาในเรือแค่ออกวันแรกก็เกิดอุบัติเหตุเรือมันเบียดเขาเอาขาออกไปนอกเรือเรือมันก็ไปเบียดกับเรือลาอื่นบาดเจ็บถึงกระดูกคนไม่รักษายัยให้ทำงานยากก็ไม่ให้อยู่ลงเรือไปในทะเลเมื่อกลับขึ้นฝั่งขึ้นบก เลยหนีมาหนีเพื่อกลับบ้านไปที่สถานีรถไฟสตังก์ก็ไม่มีจะซื้อตัว๋วข้าวก็ไม่มีจะกินแต่มีคนแปลกหน้าหกเจ็ดคนเป็นคนภาคอีสานมาถามว่าไม่สบายเป็นอะไรก็ เ, เล่าให้ฟัง เขาก็เอาอาหารมาให้ซื้อตั๋วใหท้ทั้งที่เป็นคนจนด้วยกันนี่แหละหกเจดคนร่วมเงินกันได้สามร้อยบาทให้ว่าซื้อตั๋วให้กลับบ้านแล้วต่อมารักษาตัวเองก็มาขับแท็กซี่ที่ว่าตอนอายุสิบแปดปีจากความดีที่คนอื่นได้ทำเนี่ยทำให้เป็นจากานุสติ รำลึกนึกถึงน้ำใจของคนอื่นเสมอและจะต้องให้ต่อเหมือนจุดไฟจุดแสงสว่างต่อให้คนอื่นเคยบวชมาก็เลยรับพระพิสูสมัมมเอ็นเมชีฟรีตอนแรกคนแก่คนเท่าก็ฟรีก่อนยังไม่นึกถึงคนพิการจกนกระทั่งคน ตาบอดนั่งรถเข็นเนี่ยขึ้นมาแล้วแกก็บ่นว่าคนตาบอดบ่นว่าเป็นคนพิการเนี่ยไม่มีแท็กซี่คันไหนหรออยากรับเรียกรถกร็ลาบากอยากท่าตัวตายพอได้ยินอย่างนี้ก็เกิดจิตกรุณาสงสารติดป้ายเพิ่อมอีกตอนแรกๆคนก็หมั่นไส้ทำได้จริงหรือ แกล้งสารพัดตำรวจก็จะให้เอาป้ายลงบ้างอะไรบ้างนึกว่าเป็นธุรกิจแต่พอเห็นทำจริงมาปัจดนี้ยี่สิบกว่าปีสื่อก็เอาไปโฆษณาไปลงไปชื่นชมบุรุษธิคนดีประเทศไทยก็มอบรางวัลให้เป็นคนขับแท็กซี่ชื่อสวุวรรณฉัตรพรมชาติ เศรษฐีใจดีเอารถอยู่ในสภาพดียกให้เลยเป็นแท็กซี่ให้ทุกวันนี้แกก็ขับสบายวันหนึ่งหนึ่งรับพราเนนตั้งหลายครั้งแล้วจะหลังสามทุ่มไปคนแก่คนเท่าคนเจ็บจะไปโรงพยาบาลโทรหาแกได้จุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาคือน้ำใจของคนอื่น ในยานที่เขาทุกวันที่มืดมิดมีคนหยิหยบยื่น้ำใจมาให้เนี่ยมันจำไม่รู้ลืมนึกถึงขึ้นทีไรก็เป็นแรงบันดาลใจให้อยากทำความดีแก่คนอื่นแก่สังคมแม้ตนเองอาจจะต้องเสียสละต้องลำบากบ้างก็ยอมซึ่งสอดคล้องกับ พุทธพ์ทิวะมัตตาสุขปริจจาขาปัดเสเจวิปุลังสุขังเป็นต้นซึ่งแปลว่าบุคคลเมื่อเห็นว่าจะได้ประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ไ้บุ์เพราะสละประโยชน์สุขเล็กๆเนน้อยแล้วเขาก็ควรจ ะ, ร ะ, ะสละประโยชน์สุขส่วนตนอันเล็กน้อย ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไัยบูนแท็กซี่คนนี้เขาก็ยึดหลักอันนั้นท่านทั้งหลายก็ยึดหลักพุทธพจน์นี้เช่นเดียวกันเราอาจจะต้องสละประโยชน์ความสุขเล็ก ๆ, ๆน้อยๆของเราส่วนบุคคลแม้กระทั่งความสะดวกสบายเพื่อ สนับสนุนสิ่งที่ดีงามยิ่งใหญ่ไพศาลต่อไปอาจจะยอมลำบากอาหารที่แพงๆบางมือ้อไม่ทานเก็บใส่กระปุกเอาไว้เอาไปบริจาคบะเพณญการกุศลหรือขบวนนิริทิยอมให้ลูกลำบากเพื่อช่วยตัวเองบ้าง เอาสิ่งที่จะต้องตกเป็นของเขาบางส่วนไปตั้งเป็นกองทุนเพื่อสังคมอย่างที่วิวเกสเขาทำเมื่อนึกถึงประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ไพบู์คนเราควรจะสละประโยชน์สุขส่วนตนกันบ้างแล้วโลกนี้มันจะน่าอยู่ขึ้น โลกนี้จะงดงานขึ้นเพราะต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนนิทานซึ่งเล่าอยู่เสมอๆว่าคนที่ตายไปคนหนึ่งยมพบาลมาบอกว่าคุณทำความดีไว้เท่ากันห้าสิบห้าสิบบุญกับบาดเต็ เพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิเรื่องว่าจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก่อนวิญญาณของชายผู้นี้ก็เลยบอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าสวรรค์สำหรับผมเป็นอย่างไรนรกสำหรับผมหน้าตาเป็นอย่างไรให้ดูตัวอย่างได้ไหมโยมพระบาลก็บอกว่าเรามีตัวอย่างให้มองผ่านกระจกไปห้องซ้ายมือนรก ที่รอคุณอยู่เราทำโมเดลเป็นแบบเอาไว้ขวามือเป็นสวรรค์สำหรับเธอมองไปจะเห็นวิญญาณของชายคนนี้ก็มองไปที่ห้องซ้ายมือซึ่งเป็นนรกที่รอเขาอยู่ท่งองยังต้องตกไปในขุมนี้จริงๆปรากฏว่าเป็นนรกที่อดอยากขวโหวยในห้องนั้นผู้ตกนรกเนี่ย นั่งล้อมวงกันอยู่ดูผอมโซหิวโหยที่มือของสัตว์นรกเหล่านั้นมีทพัพพีด้ามยาวเชื่อมติดกับมือเอาออกไม่ได้ด้ามยาวมากทพัพพีและตรงกลางนั้นมีหม้อซุปตั้งอยู่ดูน่าอร่อยพวกตนกนรกสัตว์นรกทั้งหลายก็ตักซุป ใส่ปากตัวเอง ไ, ได้ทัาพีบัญญัติมักปกเลี่ยราดหิวแต่ไม่ได้กินทรมานหลือเกิดและนี่คือนรกที่รอเพลนอยู่เอา้ารถสวรรค์สำหรับผมอะดูห้องขวามือเขาก็ดูผ่านกระจกเข้าไปในสวรรค์นั้นก็มีเทวดาในสวรรค์นั่นลงล้อมวงเหมือนกันตรงกลางก็มีหม้อซุปเหมือนกันเลยเหมือนกับห้องซ้ายมือนรก และเทวดาก็มีท่าพีเชื่อมติดกับมือด้ามยาวเหมือนกันไม่มีผิดสถานการณ์เดียวกันนั่นแหละทุกอย่างห้องหนึ่งเป็นนรกห้องหนึ่งเป็นสวัสค์ไม่ต่างกันเลยองค์ประกอบอื่นภายนอกที่เห็นด้วยตาเนี่ยเหมือนกันทุกประกาศ แต่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่สัตว์นรกหิวโหยทรมานในขณะผู้อยู่ในสวรรค์อิม่มหมีพียมันและมีความสุขหัเราะเย่มแย้มต่อกันวิญญาณของชายคนนี้ก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเหมือนกันทุกอย่างแล้วอีกแห่งหนึ่งเป็นสวรรค์อีกแห่งหนึ่งเป็นนรก โยงยาบาลก็อธิบายว่าดูให้ดีนะมันเหมือนกันก็จริงตรงที่ทัพีร่ามอยางแต่ที่เป็นสวรรค์เพราะอะไรเขาแต่ละตนเนี่ยตักซุปตรงกลางในหม้อ อ, อยู่ตรงกลางใส่ปากตัวเองไม่ได้ก็ดีก็จริงแต่ผู้อยู่ในสวรรค์เป็นคนจิตใจงดงามเสียสละ มีจาาครับเขาใส่ปากตัวเองไม่ได้แต่เขาตักป้อนคนอื่นในขณะที่คนอื่นก็ตักใส่ปากตัวเองก็ป้อนคนอื่นเหมือนกัน่านคนต่างป้อนกันและกันต่างคนต่างได้ทานและต่างคนต่างมีความสุขเพราะการแบ่งปันการให้ในขณะที่ผู้ตกนรกเนี่ย สภาวะการเหมือนกันแต่จิตไม่เหมือนกันจิตมันต่ำอิจฉาริษยากันทะเลาะเบาแวงแก่งแย่งแข่งขันกันไม่ยอมให้คนอื่นได้กินแม้ตัวเองไม่ได้กินคนอื่นก็อย่าได้กินไม่ให้กันและกันไม่มีใครป้อนทุกคนจึงอดอยากขวโหวยสถานการณ์เหมือนกัน ที่หนึ่งมีความสุขที่หนึ่งมีความทุกข์มันต่างเพราะคุณภาพของจิตถ้าในบ้านใดคนมีคุณภาพจิตที่เป็นจากะเป็นจิตอาสาเป็นความเสีสระเมื่อทุกคนต่างคนต่างให้ทุกคนต่างคนต่างได้ต่างคนต่างมีความสุขนั่นแหละเป็นสวัสค์ฉะนั้นเราจึงไม่ได้ให้คนเดียว แต่ชักชวนคนในบ้านได้ร่วมกันให้สร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้ลูกให้หลานสอนให้เขารู้จักให้รู้จักเสียสละตั้งแต่เล็กเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็มาเสียสละมาให้เราให้คนอื่นให้คนในครอบครัวเขาครอบครัวของเขาก็เป็นสวรรค์ที่ทำงานของเขาก็เป็นสวรรค์และถ้ามีคนอย่างนี้อยู่ในที่ใดที่นั่นเป็นสวรรค์ ฉะนั้นการมาสร้างบรรยากาศเช่นนี้เป็นการปูทางไปสู่สวรรค์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้ามูลนิธิมหาจุลาลงกรณ์ราชวิเลยก็ทำหนะ้าที่สร้างทางสู่สวรรค์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแก่เราท่านทั้งหลายและเปิดโอกาสให้มาร่วมกัน ในกิจกรรมที่งดงามอย่างนี้จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีในานามของประธานมูลินิจึงขออนุโมทนาญาตโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมมาเป็นกุศลเป็นการสร้างทางสู่สวรรค์ในวันนี้ด้วยการ บริจาคตั้งทุนเพิ่มทุนให้กับมูลนิธิและยังบริจาคถวายทุนการศึกษาแต่ประสงค์นิสิตของมหาจุฬาในส่วนของนิสิตก็หวังใจว่าท่านทั้งหลายจะได้จดจำจารึกสิ่งที่ดีงามความมีน้ำใจนี้ไว้ตั้งใจทาหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน และตอบแทนสังคมตอบแทนญาติโยมด้วยการให้ธรรมทานเป็นการสร้างสิ่งที่ดีงามสร้างสวรรค์บนพื้นพิพ น, ปปนี้และพบหน้าต่อไปจึงขออนุโมทนาและขอทุกท่านตั้งกระยาณาจิตอธิษฐานอ้านคุณพระศรีรัตนตรยัย และมหากุศลอันเนื่องจากทานบทานบริจากนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นดีชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้แด่วิญญาณของผู้ล่วงลับซึ่งได้ตั้งทุนเพิ่มเคยเพิ่มทุนของมหาบุนที่มหาจุฬาลงกรณราวิาลัยในอดีตที่ล่วงลับไปนั้นขอได้โปรดอนุโมทนาบุญ สำเร็จเป็นอิทวิบากสุขสมบัติทิพยสมบัติในสัมปรายมปรายาภพทุกประการและเป็นพรกุศลความดีทั้งปวงขุนภาษีรัตนชัยทั้งปวงชนเป็นพรย้อนสนองให้ทุกท่านที่มาร่วมงานทั้งฝ่ายบรรคชิตและครือขันจงมีความเจริญงอกงามไพบูรยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีจิตใจที่งดงามเปี่ยมล้นด้วยความเสียสละ ด, ด้วยการบริจาคสร้างเงื่อนไขแห่งความสุขให้กับส่วนตัวครอบครัวสังคมโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปทานตรายทั้งปวงเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนะสุขะพละปาฏิพานธรรมสารสมบัติธนาสารสมบัติตปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จตลอดปีใหม่และตลอดไปทุกท่านทุกรูปทุกคนเทิน